อยากจริยผพรอทุกทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจในการมาปฏิบัติธรรมที่วังสันติบรรพตแห่งนี้การบรรยายครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายครั้งที่สามเราก็ยังพูดเรื่องความยินดี ยังไม่จบเป็นวันเกิดของโยมยินดีนี่ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องเกิดเกิดเจ็บเจบตายตายจะพูดเรื่องคําว่ายินดีก่อนคําว่ายินดีมันยังเป็นกลางกลางอยู่ยังเป็นกลางยังเป็นดาบสองคมถ้ายินดี ในสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานก็เป็นดาบที่เชื่อดคอตัวเองแต่ถ้ายินดีในธรรมะในการปฏิบัติธรรมใ้สูงสูงขึ้นไปก็เป็นการยินดีในการที่จะฆ่ากิเลสคืออุปธิจะนั้นคำว่ายินดีนี้ก็ยัง เป็นคำกลางกลางอยู่ยินดีในที่นี้เช่นว่าธรรมกามโมกาม он, กามกามะคือความใครธรรมกามโมใครในธรรมกามก็ยังเป็นกลางๆางอยู่กามะแปลว่าความใครแต่ถ้าใครในธรรม ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใกล้ในกามก็มีปัญหาธรรมกาโมใกล้ในธรรมทีนี้คําอีกคําหนึ่งว่าธรรมารามโมธัมมารามโมยินดีในธรรมยินในธรรมอารามโมนี่แปลว่าเป็นที่มายินดี วันที่พูดตอนภาคคำเมื่อวานนี้ข้าไปในวัดไหนตรงไหนที่เป็นวัดตรงไหนที่เป็นอารามอารามก็แปลว่าเป็นที่มายินดีมีต้นไม้ร่มเย็นข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันร่มเย็นที่นั้นเป็นอาราม ข้าวไปที่ไหนวัดไหนไม่มีความร่มเย็นก็ไม่ชื่อว่าเป็นอารามฉะนั้นอารามนี่แปลว่าเป็นที่มายินดีแต่ว่าพอลึกไปกว่านั้นธรรมารามโมเนื้ออารามขึ้นไปอีกมีธรรมเป็นที่มายินดีก็คือยินดีในธรรมนั่นเอง เรายินดีในธรรมนั่นเองเมื่อเรายินดีในธรรมก็ต้องยินดีในศี ล, ลยินดีในสมาธิยินดีในปัญญาเพื่อที่จะดับกิเลส ธ, ธรรมะก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดมันไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากทางคืออริยมรรค มีองค์แปดเท่านั้นนันไม่มีทางอื่นแน่นอนเลยพระพุทธเจ้าจึงชี้ใหไปทางนี้อย่าไปทางอื่นอย่าไปทางอื่นมันมีสามทางทางที่หนึ่งอัตตกิลมัานุโยกก็คือการทรมานกายไม่ใช่ พระองค์ก็พิสูจน์มาแล้วนั้นก็ไม่ใช่อัตกิลมัทธนุโยการบำเพ็ญด้วยอะไรต่างๆนอนบนหนามก่อแล้วอะไรก่อแล้วอดอาหารก่อแล้วก็ททำกันเยอะแยะอย่างนี้ในสมัยที่หาพระนิพพานกันให้เจอนะั่นแต่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เจอ เดวีพระงิพานอัตาตากิลามาตานุโยค ก, ก็ไม่ใช่นี้กามสุขันลิกานุโยนั่นก็คือทางหนึ่งอีกกามสุขันลิกานุโยเดินในทางกามใกลรในทางกามจะเป็นกามวัตถุจะเป็นกามกิเลสกามระหว่างเพศนั่นก็เรียกว่ากามสุขันลิกานุโย อัตตาคิลมัฐานุโยคทีนี้ทางสายกลางทางสายกลางคืออาลยมักมีองแปดส่วนกามสุขันลิกานุโยคอัตตาคิลมัฐานุโยคด้านข้างอยู่ด้านข้างทีนี้อาลยมักมีองแปดข้าวกลางเลยกลาง เป็นกลางเลยต้องปฏิบัติทางนี้นั่นจึงจะสาเร็จได้ในเรื่องของเรานี่งไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากปัญญาศีลสมาธิไม่มีทางอื่นเด็ดขาดเลยทีนี้ทางนี้ธรรมรารโมเราก็ยินดีในธรรมยินดีในธรรมก็ต้องยินดีในทางนี้ ในทางเดินอันนี้แหละทีนี้อาราโมก็บอกว่าเป็นที่มายินดีหนึ่งยินดีในธรรมที่เราฟังไม่พอมันต้องภาวนาราโมต้องยินดีในการภาวนาด้วยภาวนาไม่ใช่บังคับว่าให้นั่งสมาธิหานาทีสิบนาทีที่ตรงนี้มันไม่พอไม่พอ การภาวนาทําได้หมดทําได้หมดขอพ่อยแม่แต่ว่านั่งถ่ายนั่งฉี่ก็ภาวนาได้หมดภาวนาแล้วก็พิจารณาพิจาร า, าว่าไอ้ที่เราถ่ายนะี่มันอะไรอะไรมันเข้าไปทางไหนเนี่ยเข้าไปเมื่ อ, อไหร่เนี่ยตอนที่มันเข้ามันเป็นอะไรเนี่ย ไอ้ตอนที่มันอยู่ในปุงในทรายนี่ในกระเพาะนี่มันเป็นอะไรนั่นไอ้มันออกมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนี่สีสันมันก็เปลี่ยนเนื้ออะไรมันก็เปลี่ยนกลิ่นมันก็เปลี่ยนมันไปคนละเรื่องกันเลยตอนที่เราทานข้าไฟกลิ่นหอมชวนรับประทาน รสหวานรสมันรสเปรี้ยวแต่นี้มันเป็นยังไงนี่พอออกเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ต้องพิจารณาแล้วแค่นั้นก็มีแต่หนึ่งภาวนาสองพิจารณาแค่นั้นการภาวนานี่ทำได้ทุกอิริยาบถเมื่อมีการเคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนไหว ทางมือทางเท้าด้วยการเดินด้วยการยกไม้ยกมือด้วยการเกี่ยวอาหารด้วยกานอะไรก็ตามใจสำหรับของพระเจนว่าเราหอมจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กบภาวนาไปอะไรไปหอมจีวรพระก็ต้องภาวนาเรียกว่ายถาปัฏิยังคือพิจารณาต้องพิจารณาไป นี่พอเอาจีวรออกอย่างนี้เอาจีวรออกจากกายเราก็ต้องจีบจีวรจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีบจีวรจีบจีวรแล้วก็เอามือหนึ่งจอนเข้ากลางแล้วก็พาดในขณะที่จีบจีวรนี่ถ้าเราภาวนาเรื่องว่าง ว่างว่างว่างว่างวางว่างว่างว่างว่างนี่จะมาเองแหละว่าก็คือจีวรนี่ก็ว่างจากตัวตนในขณะที่เราจีบจีวรน่ะเรพลาดเสร็จหรือว่าเช่นว่าก่อนนอนเราก็ทําว่าตรวจตทําทำวัดเสร็จตรวจมลเสร็จอะไรเสร็จแผ่เมตตาเสร็จเราก็จะนอนแล้วแล้วก็ต้องลูดม่าน เพราะว่าอย่างที่หัวนอนของหลวงพ่อนี่มันก็มีม่านพอเราจักม่านจักม่านรูดให้มันให้มันปิดกระจกนึ่งนี่เราก็ว่างว่างว่างว่างว่างก็ทําอยู่อย่างนี้ไม่ว่าเวลาเกี่ยวอาหารเอาอาหารใส่เข้าไปในปากจักแต่ว่าถาดว่างคําที่หนึ่งจักแต่ว่าถาดว่าง พอธาตุว่างแลยก็ไม่ไม่ต้องสักแต่ว่าแล้วทีนี้ต่อไปเราก็เคี้ยวเคียวเราก็ว่างว่างว่างว่างว่างรู้เึกอร่อยก็ว่างรู้เด็กไม่อร่อยก็ว่างคือมันความรู้สึกนี่ถ้าเราจะดูที่ความรู้สึกคือตัวเวทนาตัวนั้นเวทนาที่เป็นสุขถ้ามันพอใจจ่องสามคำแรกนี่ต้องระวัง เพราะว่าน้ำย่อยเริ่มที่จะออกตอนนั้นน้ำย่อยมันหลั่งออกมาทางปลายลิ้นทางประสาทลิ้นนั่นเันเรู้สึกว่าอร่อยทางนั้นนะตอนนั้นความอร่อยก็ว่างแต่ถ้ามันโดนของที่มันขมๆมเข้าไปหรือมันเปรี้ยวจัดมันเค็มจัดอะไรจัดอันก็เกิดทุกขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ดักเอาไว้แล้วว่าว่าง สุขเวทนาความปอใจก็ว่างทุกเวทนาความไม่พอใจก็ว่างแล้วเราก็ภาวนาดักเอาไว้ว่างว่างว่างว่างงเราก็ว่างเอาไว้แล้วก็กลืนว่างกลืนว่างแล้วคําต่อไปอีกคําต่อไปคําที่เ <gegeben> ท่าไหร่เราก็ว่างเอาไว้ว่างเอาไว้ว่างเอาไว้นั่นคือสุญญตาสุญญตาเพราะฉะนั้นการภาวนานี้เรียกว่า ภาวนารามโมภาวนารามโมยินดีในการภาวนาเดินขึ้นภาวนาเดินลงภาวนาเดินจงกรมภาวนาภาวนาภาวนาชั้นสุดนะคือว่างว่างอันนี้ถ้าจิตว่างสะสมความว่างนิพพานังประมงสุนยัง นิพพานว่างอย่างยิ่งว่างก็คือนิพพานนิพพานก็คือว่างนิพพานังปรเมงสุขังนิพพานสงบว่างเพราะอะไรว่างเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นในสุขเวทนาทุกเวทนาหรือว่าทุกขมาสุขเวทนา คือย kind of kind of ังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอวิชชามันเป็นอวิชชาว่างจากเวทนาพอว่างจากเวทนาก็เป็นสุนญตานี้สุนญตาเราก็อยู่กับว่างอยู่กับว่างอยู่กับจิตที่มันว่างอย่าอยู่กับจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับจิต ที่มันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเราไม่ได้เดินเราไม่ได้ยืนเราไม่ได้ทำงานเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าลมหายใจเคลื่อนไหวเราก็เอาว่างที่ลมหายใจอีกห า, าาาาาาาหายใจเข้าว่างว่างว่างว่างวางวงหายใจออก ว่างว่างว่างว่างว่างอยู่กับความว่างว่างอยู่กับลมหายใจว่างอีกนี้เมื่อเราว่างว่างว่างเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีต่อไปเป็นเป็นยังไงว่างนี่มันจะตกตะกอนทนตกตะกอนเป็นสงบมันจะเกิดความสงบขึ้นมาพอว่างแล้วมันสงบทำว่างมั่งทำสงบมั่ง ว่างมั่งสงบว่างสงบมั่งนิพพานังปรมมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สุขเวทนาคือสุขคือความสงบเย็นสุขที่มีความสงบเย็นเพราะเลิกจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันว่างพอว่างเสร็จแล้วก็สงบเย็นบางทีก็ต้องทำว่างก่อน พอทำว่างก่อนแล้วก็สงบเย็นทีนี้ก็โยกับสงบเย็นจิตมันก็สงบเย็นไม่ปรุงแต่งจิตนั้นไม่ปรุงแต่งโยกับความสงบเย็นทีนี้ถ้าเราไม่ว่างจิตข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ปรุงแต่งเห็นไหมข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็ปรุงแต่งอันนั้นมันก็เลยไม่สงบสักทีหน่ สงบได้บางครั้งบางคราวมันไม่อยู่ตัวความสงบไม่อยู่ตัวอันนี้ต้องว่างว่างแล้วสงบว่างแล้วสงบนิพพานังปรเมงสมจังนิพพานังประมงสุก ข, ขังสงบที่นี่เพราะไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเตสังวูปัสะโมสุขโขการเข้าไปสงบรำงับ สังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งทางจิตการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจาแต่ว่าสำคัญก็คือจิตไม่ปรุงแต่งเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งมันก็ระงับสังขารการกระทำทางจิตนะ <c oughs> การคิดเรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่ง ทีนี้ถ้ออากว่ามันหยุดการปรุงแตง่งไม่ใช่มันหยุดนิ่งมันหยุดรู้เนื้อรู้ตัวว่าเอออยู่กับความสงบนี่มันดีนะอยู่กับความสงบพราะนั้นเราจะเห็นว่าในข้อหนึ่งที่ว่าที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยยัตถาอโ อ, อโโกาอานกมากรรมามวิเวกยัตถะทุรมังดตถะพิติปั ตัตระปิรติมิตรไชยะอิทวากาเมอกินจานจงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ำไอ้ที่น้ําที่เรียกว่าน้ําน้ําน้ําน้ำน้ำน้ำนั่นคือเรื่องของกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาที่มีน้ํามันจมน้ําอยู่เรื่อยจมน้ําอยู่เรื่อยจมในตัญหาในกิเลสในตัญหานั้น จงมาถึงที่มีไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงละกามเสียกามนั่นแหละกิเลสกามก็เป็นน้ําวัตถุกามก็เป็นน้ําทีนี้ถ้าเราจงลงไปในน้ำํำลองคิดดูนะมันเป็นยังไงมันหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมหายใจไม่ออกนั่นก็ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคืออย่างนั้นนะ จมอยู่ในน้ําคือก า, มารมัตนาภาวะวัตนาวิภาวะัตนาจงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลเราดูถึวัยจิตของเรามีความกังวลไหมถ้ายังมีความกังวลอยู่ก็พยายามที่จะละความกังวลนั้นเสียจงยินดีเฉพาะ ยินดีอีกแล้วเห็นไหมจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตยินดีได้โดยยากยินดีได้ยาก่อนไปยินดีในอะไรไปยินดีในประสาทประสาทที่มันรับรู้ทางตาบ้างรับรู้ทางประสาทหูบ้างรับรู้ทางประสาทจมูกรับรู้ทางประสาทลิ้น รับรู้ทางประสาทกายรับรู้จากความรู้สึกทางอารมณ์คือใจเงี่ยมันหยาบคือไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ยมันหยาบมันหยาบดังนั้นทีนี้การรับรู้การรับรู้ทางจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญานี่มันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนรับรู้ทางสติปัญญาเช่นพระนิพพานอย่างเงี้ยมันเป็นที่สงัด ซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากทีนี้ถ้าจิตมันยังหยาบอยู่ยังหยาบอยู่ก็รับรู้ในทางประสาท ต, ต่างๆมันไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นว่าไอ้ประสาทตาก็เกิดดับไอ้สิ่งที่ตาเห็นคือรูปก็เกิดดับแต่กูวิญญาณตัวนั้นคือความรู้สึกทางตางก็เกิดดับปัจจาการกระทบนั้นก็เกิดดับทีนี้พอเกิดเวทนาที่เป็นสุขก็เกิดดับ เกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดดับเกิดเวทนาที่เป็นอวิชชาก็เกิดดับไม่ว่างมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ว่างสักทีหนึ่งเพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังที่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่เห็นอนัตตาคือไม่เห็นว่าตาก็ไม่มีตัวตนรูปที่ตาเห็นก็ไม่มีตัวตน จักูวิญญาณความรู้สึกทางตา น, นั้นก็ไม่มีตัวตนภาษาการกระทบก็ไม่มีตัวตนเวทนาที่มันเข้ามาก็ไม่มีตัวตนจกเวทนาทุกเวทนาทุกกมามุกเวทนามันไม่มีตัวตนทางนั้นเดือดรูปมีตัวตนจับต้องได้เปลืองเนื้อที่นี่รูปนี่เราจับต้องได้เพราะมันเป็นาศาสาร แนี้พอไปเวทนาก็ดีเวทนาก็ดีปัจจากว่าเวทนาก็ ด, กกดีจากวิญญาณต่างๆทั้งหเนะ่ยวิญญาณคือความรู้สึกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณคือความรู้สึกก็ดีปัจจการกระทบก็ดีเวทนาที่ทั้งสามที่มันเกิดมันดับก็ดีเป็นยังไงอันนี้มันเป็นพลังงาน เป็นพลังงานที่ที่มันเกิดขึ้นกับอาญาตะเหล่านี้เต่็จแล้วมันไม่มีตัวตนโดยเฉพาะไปจับมันไม่ได้เรียกว่าความเจ็บป่วยอย่างนี้เรียกว่าความยินดีความยินร้ายเรียกว่าอภิชาโทโมนัสยินดีหรือยินร้ายอย่างนี้มันไม่มีตัวตนทางนั้นเลยลมลมแรงแรงทางนั้นเลยแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบ เรายึดถือยึดถือยึดถือยึดถือพอเกิดมันก็ยึดถือแล้วไม่ต้องการที่จะให้มันดับออกมันก็ต้องดับมันต้องดับมันก็เกิดใหม่อีกมันก็ดับอีกเกิดใหม่อีกดับอีกเกิดใหม่อีกดับอีกอาหารคำแรกเอาไปวางไว้บนลิ้นข้าวในปากวางบนลิ้นลิ้นก็ทําหน้าที่ครุกคราวอาหาร น้ำย่อยก็ออกมาทางประสาทลิ้นครุกครา้าวก็ะอีนี่มันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาต้อเกิดความรู้สึกขึ้นมาเพราะน้ำย่อยอันนั้นเนี่ยมันครุกคร้าวครุกคร้าวครุกคร้าวอร่อยเกิดความอร่อยขึ้นมานี่มันผสมกับไอ้น้ำย่อย น, นั้นด้วยหลวงพ่อสังเกตเห็นว่าที่พัทลุงเนี่ยที่คือไอ้ขนมอะไรก็ตามอ่ะมันอย่างนี้ทางนั้นอ่ะที่เขาทาอะไร เขาทากล้วยฉาบทํากล้วยฉาบกล้วยฉาบเราอย่าไปเข้าใจว่าเขาจะทํากับกล้วยสุกเขาไม่ทําทํากับกล้วยที่ห้ามห้ามกล้วยที่หามหามหรือว่ากล้วยแก่แก่จัดที่แก่จัดแก่จัดเสร็จแล้วก็ทําโดยวิธีกรรมของเขานั่นแหละกล้วยที่มันยังมียางอยู่ยังมียางเขาก็เอาไปคลุกเคล า, าน้ําตาลทําอะไรไปทอด จะมีพวกนมพวกเนยพวกอะไรเครื่องประกอบของเขาทีนี่จะก็เขเอากายเอาขายเาายราก็ซื้อหรือว่าคนถวายมาอย่างนี้มันก็ฉันใส่เข้าไปในปากใส่เข้าไปในปากไอ้ที่กล้วยฉาบนั้นนั่นน่ยมันยังมีเมือกอยู่มีเมือกมีเมือกของกล้วยนยั่นแหละมีเมือกของกล้วยทียนี้มันมีเมือกแล้วก็มีไอ้พวกน้ําตาลพวกเนยพวกอะไรเนี่ย แล้วมันก็ไปคลุกคร้าวกันกับน้ำย่อยน้ำย่อยที่ออกทางประสาทลิ้นนั่นแหละทําให้เมือกเมือกทำให้อะไรไม่รู้เราก็รู้สึกว่าอร่อยอร่อยอร่อยทีนี้ไอ้อย่างอื่นก็เหมือนกันสังเกตดูดิไอ้สิ่งที่เราว่าอร่อยนะ่ยทุกอย่างเลยอร่อยนะั่นมันข้าไปคลุกคร้าวกับน้ําย่อยอันนั้นข้าไปคลุกคร้าวพก็ข้าไปคลุกครา้ า, ครคราวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมีกลิ่น กลิ่นมันก็มันก็ระเหยมาทางจมูกเรารู้สึกว่ามันหอมเพราะเขใส่อะไรก็ไปทําให้หอมเองะรู้สึกว่าหอมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าหวานรู้สึกว่าเค็มรู้สึกว่าอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ากลมกล่อมเขาจะทําให้กลมกล่อมไม่ให้หวานจัดไม่ให้เค็มจัดไม่ให้เปรี้ยวจัดไม่ให้อะไรจัดอนี้มันก็มีโดยเฉพาะของเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องของมันนั่นแหละ ไอ้อาหารอย่างนี้มันต้องมีอะไรออกหน้าเแทนว่าทําน้าบูดูหน้าโมดูอย่างนี้ถ้าทำมาโมดูนี่เราพูดกันเรื่องกินแล้วทําน้าบูดูต้องเปรี้ยวออกหน้าเปรี้ยวออกหน้าเค็มไอหวานตามหลังหวานเปรี้ยวเค็มแทนไหมหวานเปรี้ยวเค็มแลทีนี้รสรสของมัน ก็ต้องมีใบมะกรูดมีอะไรพวกเนี้นี่ฝีมืออย่างนี้เรียวพวกฝีมือแล้วฝีมือแล้วอีนนี้เขาทำเขาต้องเป็นคนที่ละเอียดละเอียดเขาต้องใส่ปลายา่างปลาย่างก็ต้องย่างใหม่ๆสดสดเขาต้องใส่ปลายา่างเป็นปลาชาบาปราอะไรก็รตามใจอเสร็จแล้วเนี่ยก็อาคราุกร้าวในละเอียดมีใบมะกรูดอก็มี ไออะไรตะคร้ก็มีไอพ่อโหระพาอะไรพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเขาทำโดยสูตรของเขาถ้าคนมีฝีมือเนี่ยเขาจะทำดีฉะนั้นก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้หญิงสวยนี่ไปถามพระดูที่พระไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงสวยอะยหมดเดอร้อยหมดเด้าเห็นทาแก้มทาปากแดง คิวที่เขียนเข้าไปขนตาปลอมอะไระพระว่าสวยแล้วสวยแล้วอก็พระไม่เคยรู้จักผู้หญิงรู้จักแต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าถ้าถามพระต้องถามเรื่องอาหารเพราะพระนี่อาหารในวังก็ไปฉันมาอาหารที่ร้านใหญ่ๆโตๆก็ไปฉันมาอะไรก็ฉันมาพระรู้ ถ้าอย่างนี้พระรู้ถ้าถามเรื่องอาหารพระรู้ถ้าถามเรื่องผู้หญิงอะพระไม่รู้หรอกพู่โยมไม่ได้หรอกพระโยมก็จำใจในเรื่องนั้นอีนี่นี่เรื่องของประสาทเรื่องว่าเรื่องของประสาทอีนี่ในตัวร่างกายของเรานันมีประสาทรับรู้ตัางนั้นประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายนี่ก็ความรู้สึกทางใจเรียกว่า ธรรมารมณโนวิญญาณเนี่ยใจธรรมารมสิ่งที่มันเข้ามาที่ใจนั่นแหละเรียวกว่าความคิดนั่นธรรมารมแล้ว่ามโนวิญญาณนั่นคือความรู้สึกมโนวิญญาณแลว้วก็ปัตตสัปัตสัการกระทบอย่างนี้ก็เกิดเวทนาขึ้นมาอ่ามันเกิดอะไรไอ้ธรรมารมนั้นที่เป็นสุขเวทนาหรือ ธรรมารมที่เป็นทุกขเวทนาหรือธรรมารมที่เป็นนุทุกขมาสุขเวทนาหรือเนี่ยทางนั้นแหละทุกอย่างเกิดดับเกิดดับทีนี้เราไม่เห็นการเกิดดับเมื่อไม่เห็นการเกิดดับว่าจิตนี่มันเกิดดับมันว่างจากตัวตนต้นเดิมของมันจุดเซ็นเตอร์ของจักรวาลนี่อยู่ตรงไหนจุดเซ็นเตอร์ของจักรวาลอยู่ที่จิต อยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยจุดศูนย์กลางของจั ก, กรวาลอยู่ที่จิตเพราะอะไรไรก็รู้ด้วยจิตนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดศูนย์กลางจุดเซนเตอร์ของมันว่าหัว <c oughs> ใจของสปรพสิ่งอยู่ที่จิตทีนี้ถ้าจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตว่าจิตนี้แหละเป็นอนิจจังไม่เที่ยง จิตนี้เป็นทุกขังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันข้าวยึดมั่นถือมั่นจิตเองก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่จิตข้าไปรู้ก็ไม่ได้ถ้าข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดทุกขังขึ้นมาเช่นว่าที่จิตข้าไปรู้แต่ว่ารู้ไม่จริงเช่นเวทนาที่เกิดทางตาก็ดี เวทน า, าที่เกิดทางหูเกิดทางจมูกทางลิ้นทางกายเกิดทางใจเกิดทางใจจิตอยากข้าไปยึดมั่นเถอมั่นมันจิตนี่แปล ว, ว่าความคิดความคิดที่มันวิจิตละเอียดอ่อนจิตที่มีความความคิดหรือความรู้สึกความรู้สึกที่วิจิตที่วิจิตที่ละเอียดที่ละเอียดอ่อนนี้นี่เมื่อจิตข้าไปรู้ว่า ตัวจิตเองเกิดแลว้วก็ดับเกิดแลว้วก็ดับเกิดแลว้วก็ดับตัวจิตเองนี่เกิดดับว่างจากตัวตนนี่รู้จิตก่อนที่เราปฏิบัตินีเพื่อที่จะล้วงลูกเข้าไปให้มันถึงจิตแต่ว่าไอ้ปากช่องปากรูมันหนึ่ยมันอยู่ที่ตามันอยู่ที่หูมันอยู่ที่จมกูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมันอยู่ที่ตรงนี้ ไอ้ปากประตูหน้าต่างนะมันอยู่ที่ตรงนี้เราก็หาช่องหาช่องล่วงเข้าไปไปถึงจิตจิตมันอยู่สุดท้ายสุดที่มันนอนอประกอบอยู่อย่างนั้นมันประกอบอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนพระจิตเองมันว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนแต่แล้วมันไม่ว่าง เมื่อเราเข้าวไปยึดมั่นถือมั่นว <t unya> ่าจิตนี้เป็นกูพอไปยึดถือว่าจิตนี้เป็นกูไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วนี่มันว่างไม่ได้แล้วพอจิตเป็นกูขึ้นมาเข้าไปยึดถือจิตข้าไปยึดถือตาข้าไปยึดถือรูปเข้าไปยึดถือจักรกูอิญญาณข้าไปยึดถือในปัจจักข้าไปยึดถือเวทนา วางยังไงดีเนี่ยข้าไปยึดถือหมดข้าไปยึดถือหูข้าไปยึดถือเสียงข้าไปยึดถือโสตวิญญาณข้าไปยึดถือปัจจัข้าไปยึด ถ, ถือเวทนาอพอใจไม่พอใจเฉยๆแล้วก็เก็บเอาไวา้เก็บกะตอกกระตอกกระตอกกระตอ ก, ก, กเอาไวา้อย่างนั้นนปล่อยวางไม่เป็นนี่พระจิตมันไม่เห็นตัวมันเองเมื่อไม่เห็นตัวมันเอง มันก็ไม่รู้จักตัวมันเองเมื่อไม่รู้จักตัวมันเองมันก็ไม่รู้จักตาว่าตาก็เกิดดับรูปที่ตาเห็นก็เกิดดับจากกูวิญญาณความรู้สึกทางตาก็เกิดดับปัจจาการกระทบก็เกิดดับเวทนาความพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยๆก็เกิดดับเสร็จแล้วก็เกิดตัณหาที่นี่สกัดไม่อย่ ตะกัดไม่อยู่ก็เกิดตัณหาทีนี้ถ้ารู้ทันที่ตัณหาก็พอที่จะอารมุณ์อรวยได้แต่ถ้าไม่รู้ทันที่ตัณหาดับไม่ได้ที่ตัณหาแล้วไม่มีทางนลเกิดเกิดความรู้สึกจากตัณหาก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วทีนี้ไอ้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสรู้ธรรมมารม์ เส็ดแล้วก็เป็นอะไรก็เป็นพวกเหล่านั้นพวกเหล่านั้นเงินเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มันทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตาเห็นหูได้ยินคือรูปเสียงกลิ่นรสโคตรับพระธรรมารมนี่มันคู่กันคู่กันกับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายกับใจ โยมไปทบทวนทีนี้มันก็เกิดอะไรเกิดวิญญาณเกิดความรู้สึกตั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดความรู้สึกก็เกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ปัจจัยกระทบแล้วมันกระทบแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เวทนามาเวทนามาก็ยังไม่รู้ทันมันอีกอไม่รู้ทันมันอีกก็เป็นตัณหาเป็นอุปาทาน นี่มันขาดอะไรเียมันขาดอะไรอันนั้นการปฏิบัติตามอริยมรักไมองงแปลหนึ่งจะต้องปัญญาจะต้องปัญญาปัญญาหุยใจวิจารพินิษฐพิจารณาว่าอันนี้ตาเกิดดับว่างจากตัวตนรูปเกิดดับว่างจากตัวตน จา ก, กูวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนปัจจาเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนตัดสวิต ท, ที่ตรงนั้นเลยตัณหาไม่เกิดตัณหาเกิดไม่ได้พอตัดสวิต ท, ที่ตรงนั้นยกคัดเอาขึ้นเลยที่ตรงนั้นทุกดวงควยทุกดวงดับหมดดับหมดดับจะดับหมดอย่างนั้นที น, นี้ทางหูก็เหมือนกัน ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจนี่จะต้องทำให้มากๆใจธรรมารมะโนวิญญาณความรู้สึกทางใจเรว่ามโนวิญญาณเสร็จแล้วพอทำงานร่วมกันแล้วทำให้เกิดปัจจาการกระทบปัจจาแล้วก็เวทนามาแล้วมาแน่นอนเลยเวทนาตัวไหนมา คิดเรื่องความสุขความสุขความสุขเราเคยดื่มดื่มดำกับเรื่องของกามอย่างนี้ในเรื่องของกามอย่างนี้โอ้ยมาคิดแล้วก็มีความสุขความสุขความสุขมันไม่ใช่สุขนั่นก็คือทุกข์ทางนั้นเลยในเรื่องของกามก็ทุกข์ทางนั้นในเรื่องของความอยากได้ในเรื่องของวัตถุของอะไรก็มันทุกข์ทางนั้นเลยสุขเวทนาก็คือทุกข์ ทุกเวทนาก็คือทุกขอทุกขามาสุกเวทนาก็คือทุกดูเถอะต้องดูด้วยปัญญาถ้าดูด้วยปัญญาเราก็จะเห็นดูด้วยปัญญาแล้วก็จะรู้ถ้าไม่มีปัญญาคือไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นจะต้องมีปัญญา ข้ามาเป็นอันดับแรกต้องมีปัญญาทีนี้นี่ในเรื่องของสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะความดำริในการที่จะออกจากกามเนี่ยต้องมีสัมมาสังกัปปะไม่อย่างนั้นมันก็ดำริในเรื่องของกามของกามของกามของกามมันไม่ยอมที่จะออกจากกามมันอยู่ในกามมันอยู่ในความใกรความใกรในเรื่องของ อามะสุขันลีกานุโยเรีวยกว่าความต้องการที่จะได้อย่างโน้นอย่างนี้มันก็ทรมานตัวเป็นอตตกิรามัฐานุโยกแต่เสร็จแล้วก็ไม่เดินทางอริยมรรคม่องแปลมันก็เลยไม่ได้ปัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเลยอีนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้ามาร่วมทุกอย่างเลยสัมมาสังกัปโปยํมรี ในการที่จะออกจากกามกามที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้น่ะมันมีโทษสิบประการจำง่ายง่ายจำง่ายง่ายจำง่ายง่า ย, ายว่าเช่นว่ากามเปรียบเหมือนกับกระดูกสุนัขที่มันนอนกัดนอนเทะกระดูกอยู่นั่นไหนมันอิ่มที่ไหนไม่อิ่มเลยน้ําหลายก็คลุมปากอยู่อย่างนั้น กระดูกเ น, เนื้อมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีนอนเทะกระดูกกระดูกกรนะดูกกระดูกอยู่ตัวอื่นอย่าเข้ามาใกล้ไม่ได้เดี๋ยวก็กัดกันนี่นี่กามพระองค์กัดว่าเหมือนกับสุนัขที่นอนเทะกระดูกหรือว่าเหมือนกับคบเพลิงคบเพลิงที่เราทํากับหญ้าแห้งทํากับหญ้าแห้งแล้วเอาไม้สักอันหนึ่งเอาเอาหญ้าแห้งมา มามัดมัดมัดมัดมัดเข้ากับไม้น่ะมัดเข้ากับไม่แล้วก็มัดเสร็จแล้วเราก็จุดจุดที่ปลายมันกบเพืองที่สมมติเรามาทางทิศตะวันออกแล้วเราก็เดินไปทางทิศตะวันออกมันมืดมืดต้องใช้กบเพืองทีนี้เราก็ส่งกบเพลองไปข้างหน้ากบเพืองมันก็เลยลามก็มาลามก็มาลามเข้ามาไอความร้อนไฟนั่นแหละ มันก็มาถึงตัวเรานี่แหละมาถึงตัวเรานี่กามเปรียบเหมือนกับกบเพลิงมีหลายๆอย่างมีเหมือนหลายหลายอย่างหลายอย่างตั้งสิบอย่างสิบอย่างหลวงพ่อก็ไม่ได้จดรายละเอียดมาไอ้นี่หรือว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อเหมือนกับชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อเชีนว่านกตัวหนึ่งมาถึงก็เชี่ยวเอาชิ้นเนื้อขึ้นไปในอากาศขาบชิ้นเนื้อ ไอ้นกตัวอื่นก็มาแย่งยนี่นกตัวอื่นก็มาแยง่งมาแย่งชิ้นเนื้อแยง่งจิตหูจิตตาจิตจมูกจิตปีกจิตลําตัวถ้านกตัวนั้นไม่วางชิ้นเนื้อตายตายลูกเดียวนี่เปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนกับเขียงเขียงที่สับเนื้อนะีนี้เขียงรองเนื้อสําหรับที่สับเนื้อ บบสับทุกทีโดนเขียงทุกทีสับทุกทีโดนเขียงทุกทีกามนั่นแหละคือกามกามเนี่ยอันนี้สองแห่งความทุกข์ของกามนี่มีมากไม่ได้จดรายละเอียดมาให้ฟังมาให้ดูนี่มันมีตั้งสิบอย่างเพราะฉะนั้นกามสุขานิการโยกนี่เห็นไหมสัตว์ทุกประเภทติดหมดติดกามหมดติดกามหมดเลย อย่าว่าแต่คนเลยไม่แต่สัตว์นี่ยังติดการมเพราะว่าธรรมชาติมันทํามาอย่างนั้นทีนี้สัตว์เบียดเบียนกันก็นิดนิ ด, น ด, นดหน่อยหน่ยมันไม่มากหรอกมันไม่มีพยาบาทสัตว์มันมีพยาบาทไม่มีพยาบาทจนเข้าในจิตในใจจนอาฆาตจองเวรกันไม่ถึงขนาดนั้นสัตว์แต่ว่าคนนี่นะเนี่ยดัมเบล ในเรื่องของกามแล้วก็มีพยาบาทมีพยาบาทแล้วก็มีวิหิงสามีวิหิงสาเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันแล้วก็ทำร้ายกันนี่ในคนในคนเพราะฉะนั้นการดําริีในคนการออกจากกามดําริีในการไม่เบียดเบียนดําริีในการไม่มุ่งร้ายนี่มันมาจากกามท้งนั้น ทั้งการวัตถุทั้งการกิเลสน่ากลัวทางนั้นเลยฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราต้องลีกออกจากกามเมื่อหลีกออกจากกามก็ดำรีในการไม่เบียดเบียนดำรีในการไม่มุ่งร้ายไม่เออไม่อิจฉาลิศยาซึ่งกันและกันนี่ในเรื่องของกามเพราะฉะนั้นในเรื่องของกามในเรื่องของการดำรี ในการที่จะออกจากกามินี่แหละคือสัมมาทิฏฐิแล้วดังนั้นข้ออันดับต่อต่อไปจากสัมมาทิฏฐินั้นคือตัวปัญญาสัมมาฉังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาจิติสัมมาอมาธิต้องออกมาใช้ต้องมาร่วมกลุ่มกันออกมาใช้ เรียกว่าสัมมาสังกัปปดําริในการที่จะออกจากกามก็เพราะเห็นโทษของกามไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นทางกิเลสตัณหาเออนี่เมื่อดํารีออกจากกามแล้วก็จะต้องมีปัญญาถ้าขาดปัญญาทําไม่ได้หนึ่งปัญญาเห็นว่าถ้าลุ่มหลงในเรื่องของกาม ไม่มีทางที่จะมานั่งอยู่ที่ตรงนี้ได้หรอกดังนั้นหลวงพ่อจึงบอกแล้วบอกอีกว่าคนที่ไม่แต่งงานไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายแล้วแต่งงานกับลูกสาวลูกชายของพระพุทธเจ้าเสียสุญญาตาคือสุญญาตาสุญญาตาคือความว่างจากตัวตนจิตว่างตาว่างรูปว่างจากักรวิญญาณว่างปัจจาว่าง เวทนาว่างตัณหาดับตัณหาดับโู้ว่างเสียงว่างตัวตาวิญญาณว่างขัดใจว่างเวทนาว่างตัณหาดับนี่ก็เพราะว่ามาจากจิตว่างจิตเกิดจิตดับจิตว่างจิตเกิดจิตดับจิตว่างจิตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเมื่อข้าไปยึดมั่นถือมัน เป็นอนัตตาเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นสุญญตาเพราะเห็นจิตว่างจากตัวตนฉะนั้นถ้าจิตว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ไปตามธรรมชาติโดยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวกูเป็นของกูรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมรมเกิดดับว่างจากตัวตน จกักขวิญญาณโฉตะวิญญาณกาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนปัจะการกระทบทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาทั้งสามเกิดดับว่างจากตัวตนเสรจไม ีนี้เมื่อมันว่างจากตัวตนแล้วตัณหาก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดเมื่อไม่ตัณหาไม่เกิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่เรียกว่าอยู่กับจิตว่างนี่ถ้าเราทําจนกระทั่งว่าชํานาญแล้วว่างตัวเดียวเห็นว่างว่างวางว่างว่างว่างว่างได้ยินว่างว่างวางได้กลิ่นว่างว่างวางริมรถว่างว่างว่างจิตอยู่กับความว่าง ต่อไปอยู่กับความว่างจนตายตัวแล้วสงบจิตนี้ก็อยู่เฉยๆสงบไม่ยินดีก็ไม่เอายินร้ายก็ไม่เอาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่างนั้นนี่แหละว่าอยู่กับความว่างที่สงบความว่างนั่นแหละสงบถ้าไม่เกิดตกตะกอนตอนตกตะกอนขึ้นมาเป็นเป็นอะไรเป็นนิพพานังปรมังสุขขัง ความสุขที่เรายังเพี้ยนเพียนอยู่ก็คือความสุขทางเนื้อทางหนังนี่ความสุขทางตาความสุขทางหูทางจมูกลิ้นกายใจนี่เขาเรียกว่าสุขเวทนาถ้าสุขอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาแต่พระนิพพานน่ะนิพพานังปรามังสุขขังพระนิพพานคือสุขสงบเย็นความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นไม่มีคําที่จะเรียกแต่เรียกว่าความสุข คือความสงบเย็นที่เกิดขึ้นกับจิตที่จิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นในทุกเวทนาในสุขเวทนาในทุกขามสุกเวทนาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นในอะไรทางนั้นเลยนี่ให้จิตที่เป็นจุดซินเตอร์จุดศูนย์กลางนั้นมีสุญญตาอยู่ แต่งานกับลูกชายลูกสาวของพระพุทธเจ้าจิตนั้นก็เป็นสุญญาตาก็จิตเป็นสุญญาตาก็เรียกว่าจิตว่างจิตว่างพอจิตว่างแล้วไอ้ข้างนอกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างหมดเพราะมันเกิดดับแล้วมันว่างจากตัวตนอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรมรมารม์เกิดดับว่างหมด วิญญาณทั u, en, ้งหกเกิดดับว่างหมดปัจสาทั้งหกเกิดดับว่างจากว่างหมดเวทนาทั้งหมดที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างหมดอยู่กับอะไรทีนี้อยู่กับความว่างเบว่างว่างว่างว่างแมวสงบดีกว่าสงบอยู่กับความสงบดีกว่ามันเย็นดีมันระบายดีมันระบายดีจิตมันก็เลยได้พักผ่อนอยู่กับความสงบ นั่งกับความสงบนอนกับความสงบ ก, กินกับความสงบดื่มกับความสงบอยู่กับความสงบนั่นสุดยอดของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําที่เราจะต้องยินดีนะเรียกว่าภาวนารามยินดีในการภาวนายินดีในธรรมแล้วต้องยินดีในการภาวนา ถ้าหาว่าภาวนาทำๆหยุดหยุดหยุดหยุดทำๆทำๆทำๆหยุดหยุดช้าช้าต้องยินดีในการภาวนาภาวนาอยู่ในใจใครมันจะรู้เรานั่งเครื่องเราก็ภาวนาเรานั่งรถคไยมาเราก็ภาวนาอย่างรถยนต์มาเราก็ภาวนาเราก็ภาวนาเราเดินขึ้นบนนี้เราก็ภาวนาเดินลงก็ภาวนาพอยกย่างก็เราก็ภาวนาแล้ว ภาวนาไม่ใช่ว่าเดินช้าชาช้เดินช้าชาเนี่ยคือเราเดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปติดติดอะไรสมาธิติดสมาธิพอติดสมาธิแล้วมันจะเดินช้าช้าชาานี้เราก็ภาวนาไปคือถ้าเราเดินคนเดียวอะไรคนเดียวนี่ทำสะดวกมากอย่างนี้มันจะทำสะดวกเดินช้าชาชาชาพอมันติดภาวนา เดินชาชาจนลากเท้าไปพอลากเท้าไปเนี่ยไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องเดินหยุดอยู่นิ่งๆตรงนั้นหยุดๆๆนิ่งๆภาวนาก็ภาวนาชาชาชาชาชาภาวนาก็พิจารณาทีนี้พิจารณาอะไรพิจารณาเออจิตนี่มันเกิดดับยังไงอได้ก็ภาวนามันเกิดดับแล้วมันว่างจากตัวตนเพราะไม่กล้าไปยึดมั่นถือมันไอ้สิ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่กล้าวไปยึดมั่น มันก่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดินก็อย่างหนึ่งหยุดก็อย่างหนึ่งนั่งก็อย่างหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็อย่างหนึ่งแต่ทดแ้วมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละทั้งหมดเมื่อร่างกายมันเคลื่อนไหวภาวนามันไปภาวนามันทางนั้นภาวนามันหมดเลยนี่เนียกว่าภาวนาราโมยินดีในการภาวนา ยินดีในการภาวนาพอภาวนาแล้วมันจะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วมันก็จะเกิดปัญญานี่เห็นไหมเห็นว่าเห็นว่าเออกามนี่จกกระปกจกกระปกจกกระปกเป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกเป็นทุ ก, เ, ทกเออกามนี่ภาวน า, อาพอภาวนาเป็นสมาธิดูในเรื่องของกามในเรื่องของกามวัตถเุเราต้องการที่จะมีรถคันหนึ่งนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อในตอนเช้านี่ที่เขามา เขามาให้หลวงพ่อติดบังให้เขาติดดาวให้เขาเขาเป็นนายพันตรีก็เลี้ยงมาเด็กคนนี้ก็ เ, เป็นนายพันตรีก็ถามว่าเป็นยังไงตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเงินเดือนก็สองหมืนกว่ากว่าอย่างนี้นายพันเสร็จแล้วเป็นยังไงก็บอกออต้องอะไรต้องส่งค่าบานมัง่งต้องส่งค่ารถมั่งอะไรหเห็นไหมนี่มันวัตถุ นี่เรียกว่าวัตถุกรรมยังเป็นธาตุวัตถุกามแต่ก็ยังเป็นแลตุเป็นธาตุกิเลสกามอีกเนี่ยมันก็หมนอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นอย่างนี้พอมีลูกมีเต้าขึ้นมาอีกก็อย่างนั้นอีกแหละเมื่อไรมันจะจบสักทีหนึ่งบางคนก็คิดว่าเออค่อยเข้าวัดให้ลูกโตก่อนเอาพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมานไปมีครอบครัวพอมีครอบครัวมีวมลูก อา้าวทรงไม้ปู kleine, ่ทรงไม้หญ้าทรงไม้ตามไม้ยายอ้าวว่ามีปัญหาอะไรเมื่อไหร่มันจะจบสักทีตายทีน่นี้ไม่มีทางไม่มีทางที่จะดิ้นเลยถ้าอย่างนั้นนี่เรียกว่ามีแต่กามกามกามมีแต่กามวัตถุกามกิเลสมีแต่กามตั้งกามวัตถุตั้งกามกิเลสที น, นี้รักษาศีล น, นี่รักษาศีลหรือว่าต้องการที่จะออกจากกามนี่ หนึ่งต้องมีปัญญามีปัญญามีปัญญาก็คือมีสัมมาทิฏฐิพลิกพลิกไอ้การวัตถุยุ่งยากการนกิเลสยุ่งยากมันมีแต่ความยุ่งยากมันเนียวรั้งเราเอาไว้ให้อยู่ในโลกนี้อยู่กับมันอยู่อย่างนั้นตกนรกอยู่เรื่อยๆต้องร้อนใจกับมันอะไรกับมันเอ่องอ ย, อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆทีนี้ไม่ใช่ว่า พระพุทธเจ้าจะใจดำอมหิที่จะออกจากกามนี่ต้องทำไปตามระบบขั้นตอนพระโสดาวันอย่างละกามไม่ได้พระสกิตาคามีอย่างละกามไม่ได้ยังติดอยู่ในกามยังมีลูกยังมีสามีภรรยาได้แต่เสร็จแล้วถ้าไม่รีบในทางนี้ มันก็จะติดลูกติดหลานติดโน้นไม่มีโอกาสที่มีช่องว่างที่จะให้เราออกมาปฏิบัติแน่นอนอย่างนี้ได้เลยเอยานี่ทำยังไงก็เลยธรรมชาติก็ให้อายมาว่าถ้าผู้ที่ผ่านาพระโสดาบันคือสกยติติวิจิกิจารยลสิลรปตะประม า, ามาจามก้อนั้นได้ก็เป็นพระโสดาบันก็เป็นพระโสดาบันแล้วสกิทาคามี ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางแค่นั้นเองมันยังไม่พอมันยังเหลือมันยังเหลืออยู่โน่นเรื่องกามนี่ต้องไปเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีคือละละอะไรละละเรื่องของน า, ามเรื่องของกามเมตถต ก, กา ม, มากิเลสเรื่องของกามราคะ เรียกว่ากามราคะราคะก็คือความยินดีในกามทั้งกามวัตถุทั้งกามจิเลนนั่นแหละพระอนาคามีละกามราคะได้วก็ปฏิฆะปฏิฆะคือความโกรธความโกรธความเกลียดความอิจฉาลิษยาอะไรเนี่ยนั่นคือต้องพระอนาคามีน้นจึงจะละได้พระโสดาบันละ สักยะทิฏฐีความเห็นว่าตัวกูที่หยาบหยาบวิจิจิตราลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ยังลังเลอยู่แต่ว่าพระโสดาบันละได้เรียกว่าอาจลัสัทธามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนักแน่นในมีศรัทธาในพระธรรมหนักแน่นมีศรัทธาในพระสงฆ์หนักแน่นนี่เรียกว่าอาจลัสัทธาถ้าจรารัสัทธา ยังไม่หนักแน่นเหมือนที่เราสวดเมื่อตะ ก, กี้นี้แหละแต่พระโสดาบานันหนักแน่นแล้วละสามตัวนั้นได้แต่ก็ยังไม่เด็ดขาดยังมีที่จะต้องละอีกพระอนาคพระสกิตาคามีก็ยังทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของกรมก็ยังทำอะไรไม่ได้ตองโน้นตองไปพระอนาคามีนัน่นจึงจะละได้ในเรื่องกามราคะ ราคะก็คือความยินดีความพอใจในกามในกามวัตถุในกามกิเลสตัณหาเหล่านั้นแหละากลามราคะปฏิฆะก็คือความผลักดันที่จะทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาไอ้มุมกลับนั่นแหละมุมกลับเพราะกามนั่นแหละคนที่หลงไหลในเรื่องของกามเออกูไม่ได้แลยกูไม่ได้ต้องเอาไอ้มันตายเลยเห็นไหมนั่น คือโทษของกามไหนไหนก็ไม่ได้แล้วไหนไหนก็ไม่ได้ต้องยิงมันเท่าเลยต้องฆ่ามันเท่าเลยนั่นเรีว่าพยาบาทมาแล้วทีนี้พอพยาบาทแล้ววิหิงสามันก็มาทั้งกรรมจากกามแล้วก็พยาบาทแล้วก็วิหิงสาฉะนั้นต้องละกรรมกามัต้องอับพยาบาททไม่พยาบาททีนี้อวิหิงสา ไม่เบียดเบียนนั่นเนี่ยคือสัมมาสังกัปปสัมมาสังกัปปนี้นั่นเนี่ยคือตัวปัญญาแล้วคือตัวปัญญาทีนี้ปัญญามันเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นครั้งแรกว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกก็ต้องมีสัมมาวายามะต้องมีความเพียรอีกต้องเพียรหนึ่งเพียรในการระวังยใจมันเกิดนี่ต้องมาแล้วความเพียรต้องมาแล้ว เปียนระวังมันยมันเกิดความยินดีขึ้นมาอีกอะไรอีกความเพียนเกิดความเปลี่ยนหนึ่งเพียรในการระวัง 2. ก็ระวังแล้วมันยังเกิดอีกละต้องละมันอีกละแล้วละอีกอย่างนั้น2เพียรในการละสเพียนในการสร้างสร้างแต่ว่าโอ้โหาโฉมาลเขาโงสารเขาโงสาลเขาในจิตในใจโฉมศารเขา แต่ว่าในทางวัตถุในทางที่เราทําเราต้องทําอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นเราต้องหักด้ามพระด้วยหัวเขาอย่างนี้นี่เรียกว่าใช้ปัญญานี่ต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นระวั ง, ห น, งหนึ่งระวังสองละสสร้างสร้างอะไรเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา สร้างให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือสร้างกุศลให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามเพียรในการสร้างสีเพียรในการรักษาเห็นไหมเห็นหมหนึ่งต้องมีปัญญาสองต้องมีความเพียร 3. ต้องมีสติสติต้องมาแล้วเ่นว่างเออมันมาทำให้เราเดือดร้อน ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เราเดือดร้อนเราคิดได้ทันทีเลยสติมาแล้วสติไวสติมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนามีสติเห็นจิตในจิตมีสติเห็นธรรมในธรรมสติดึงปัญญามา ก็ดึงปัญญามาโอปัญญาอปาปัญาปัจฉาอย่าเบียดเบียนเขาเลยอย่าเบียดเบียน เ, เขาเลยเขาก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลาย น, านี่ศีลข้อปานาติบาเจอนะไหมมาแล้วมาแล้วไม่เบียดเบียนเรื่องกันเลีกันไม่ว่าในทางตรงหรือว่าในทางอ้อมมีสติสติต้องดึงปัญญาตัวแรกนั่นแหละมาถ้ติดึงปัญญามาความเพียนก็ต้องมา ต้องพร้อมกันทั้งปัญญาทั้งความเพียรทั้งสติทั้งสมาธิมาพร้อมกันเลยอพอมาพร้อมกันแล้วเห็นไหมก็ทําให้สัมมาสังกัปปเป็นสัมมาสังกัปปขึ้นมาม่อย่างนั้นมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเห็นไหมนี่มัคคสมังคีแล้วอย่างนี้แปกว่าเป็นมัคคัศมังคีคือรวมกลุ่มแล้ว รวมกลุ่มแล้วตัวเดียวทําไม่ได้พ้าลังไม่พ อ, อต้องรวมกลุ่มรวมกลุ่มไอ้นี้ธรรมมาสังกับโปธรรมมาวาจานี่ใบศีลที่นี่ไปเรื่องศีลศีลทําไหมพอศีลก็ทําอะไรไม่ได้สักข้อหนึ่งรับแต่ศีลรับแต่ศีลรับแต่ศีลมากไม่ได้สักข้อหนึ่งต้องระวังกันอยู่นั้นเพราะอะไรขาดปัญญาก็ขาดปัญญา ไม่มีสัมมาทิฏฐิสินก็ได้ปานาติปาตาเวรมณีว่ากันอยู่อย่างนั้นเสร็แล้วแปลก็ไม่ออกแปลแล้วก็ตี้ความหมายก็ไม่ออกศีลงโงส่สินอย่างนี้ชนงโง่ศินขาดปัญญาเพราะสินขาดปัญญาก็เป็นสีนงโง่นั่นแหละทีนี้ทำยังไงศินปัญญาทำย่อยปานาติปาตาเวรมณี at ไม่ฆ่าสัตว์ Ö, ชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตของเราเราก็รักเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตให้ชีวิตเขาไปเธอสัตว์ที่เป็นอะไรทุกส evet> ิ่งทุกประเภทที่เขามีชีวิตให้ชีวิตเขาไปเธอเราอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเอาชีวิตของเราไปเทียบกับชีวิตของเขาเอาชีวิตของเขามาเทียบกับชีวิตของเรา เอออย่างเราเห็นงูอย่างเนี้ยตีให้มันหลังหักตีให้มันตายอ้าวมันก็กลัวไอ้มันก็กลัวอะไรมันก็กลัวตายเราก็กลัวตายกลัวตายแล้วก็กลัวเกินไปกลัวมันเกินไปเออเราทําอะไรไม่ได้หลีกเสียถ้าเรามีความชํานาญมีอะไรเช่นว่าเราเห็นงูกระป๋อย่างเนี้ยนะเดินเดินเห็นงูกระป๋าไปตกใจมันทําไมไปตกใจมันทำไมมันก็นอนพดอยู่กรมอ้าว บอกหลวงพ่อดิเอาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปถึงก็เอาไม้เอาอะไรไปให้มันเลื่อยขึ้นบนไม้พอข้าวตรงกลางเราก็ยกเลยทีนี้ยกให้มันสูงขึ้นจากดินน่ะกลัวกลัวตกเนี่ยมันกลัวแล้วมันกลัวตกพอกลัวตกนี่เราก็ถือไปถือไปถึงเราเอาไปทิ้งที่ตรงไห น, นโอ้ปลูกไปอยู่ตรงโน้นไปอยู่ที่ลกๆมาอยู่ตรงนี้ก็เดินจงกรม อเอาไปทิ้งเถอะนี่นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ถ้ า, าว่ามันเราทําอย่างอื่นได้เช่นว่าอาเอาไม้นี่ไปถึงก็ข้อมัวมันก่อนขอ้อคือว่ามันขอมือว่าทีนี้เอามือไปถึงก็จับคอจับคอจับค อ, บอเดินหิ้วไปเลยมาลาทอนไปเลยหิ้วไปถึงก็ อ, กอออย่าจับให้มันแน่นเกินไปนี่มันหายใจไม่ออกมันจะตายเถอะก็อเอาไปทิ้งบอกว่าไปดูไป กเธอไปอยู่ในที่ที่เดียวกันนะามาอยู่แถวนี้แหนไว้นี่ต้องทำอย่างนี้ไอ้อย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างอื่นก็เหมือนกันเราก็กลัวตายเขาก็กลัวตายนี่คือสัมมาทิฏฐิเอาชีวิตของเขามาเทียบกับชีวิตของเราเอาชีวิตของเราไปเทียบกับชีวิตของเขานี่คือมาสัมมาทิฏฐิกู้ตัวปัญญาข อ, อะไร สองก็คือความเพียรเราก็มีความเพียรต้องมีความเพียรในการรักษาศีลมีความเพียรในการรักษาในการระวังในการระวังในการละในการสร้างในการสะสมในการสร้างในการสะสมกุศลเหล่านั้นนี่ความเพียร น, นี้สัมมาสติต้องมีสติที่ไม่มีสติเราไปจับงูได้ยังไงต้องมีสติ จับงูเหลือมอย่างนี้ยจับงูเหลือมต้องพกกรจับโงูเหลือมก็จับมาแล้วอ่ามันก็มากินแม่ไก่แม่ไก่มันก็นั่งนอนควักลูกมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละเมื่อก่อนเนี่ยนอนควักลูกโอ้กํกลาลังดึกเสียงแม่ไก่มันร้องป๊อป๊ะกป๊อกป๊ อ, ป อ, ป อ, ปอนี่อะไรลงไปดูโอ้งูเหลือมมันกําลังที่จะกินแม่ไก่เรียกพระมาบอกว่ามามๆๆามาช่วยกันมาช่วยกันตออไม้ตานี่แหละไม้ต้าวถึงก็คอมัวมัน ตัวก็ไม่โตเท่าไหร่ได้แก้แก่เท้าขาเองเท้าขาเท่ามันเท่าก็ที่กลางตัวแเราจะขาอ่อนได้แล้วเอาไม้เท้าไปถึงก็ข้อมัวมันขอมัวหลวงพ่อก็จับคอมันก็ไอ้พระจับหางจับหางเอากระสอบมาเอากระสอบปุ๋ยมาถึงก็เอาหัวมันใส่ในกระสอบใส่ในกระสอบแล้วก็ใส่ลงไปนั่นลงไปลงไปลงไปมัดมัดปากกระสอบ ก็แค okay, นั้นพอเจ้าก็โทรให้ใครมาเอาเรียกว่าไปทิ้งในป่าทิ้งในป่านูน่นทางทิศตะวันตกที่มันไกลๆนะ่ะก็มีสวนป่ากาไปทิ้งไว้เลยนม่ต้องว่ามีปัญหาอะไรนี่ต้องมีสติก็สําคัญมีสติพอมีสติแล้วก็ทํามันได้บ่เน็ดนี่รักษาศีลจากข้อหนึ่งต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งความเพียรต้องมีทั้งสติมีคนหนึ่ง เดินไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่ลงหนังสือพิมพ์อู้ไปเห็นงูเหลืองตัวโตเห็นงูเหลืองตัวโตก็คิดว่าโอ้ไอ้เบ้งพันมาแล้วเบ้งผันมาแล้วไปจับที่นี่จับคนเดียวก็จับคนเดียวจับที่คอมันงูเหลืองมันก็มัดที่มันก็มัดทิทีนี้มันค่อยๆมัดแน่นข้าวแน่นข้าวมันจับทีนี้พอมัดเสร็จแล้วมันค่อยๆกัดที่หลังทีนี้มันกัดแผลเวอร์วาไปหมดไม่ตายคนนั้นไม่ตายเพื่อนมาช่วยที่ทัน มันไม่ได้ดังนั้นเราต้องรู้วิธีต้องรู้วิธีต่างๆนี่ต้องรู้ทางนั้นนี่หลวงพ่อสิ่งต่างๆที่พูดให้ควังนี่ทํามาแล้วทํามาแล้วทางนั้นตัวแรกก็คือมีสติสติต้องมาก่อดพอสติเสร็จดึงปัญญามาเราจะทํำยังไงกับสิ่งนี้ทํำยังไงกับสิ่งนี้มีสติมีปัญญามีความเพียร แน่นไหมอย่างน้อยสมข้อนี้ต้องมาแล้วนี่เรียวกว่ามัคคะมังคีมัคคสมังคีนี่คือมัคคะมังคีเพราะฉะนั้นต้องร่วมกันแล้วสมาธิก็ต้องมีด้วยต้องจิตต้องนิ่งต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งปัญญาไม่เกดดิดต้องนิ่งด้วยจิตต้องนิ่งด้วยนี่มันจะแก้ปัญหาได้อา้าววันนั้นหลายปีแล้วหลวงพ่อก็เดินขึ้นขลางบนทเทีย่ยมตอนเทียบ เดินขึ้นกางบนก็มีจีวรผ้าที่บ่าแล้วก็มีผ้าอาบน้ําฝนถือไปที่อาบน้ําฝนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพอขั้นที่จะย่างขึ้นไปมีงูเหา่างูเหอก็สู้ขึ้นมาสู้ขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะมันกลัวมันกลัวเราเพราะมันสู้มาเราก็จะตกใจที่เราก็มีสติมีสติเอาผ้านี้เนี่ยปัดมัน ม, มันก็กลัวมันก็กลัวเนี่ย มันกลัวๆเขาก็บอกลีกไปลีกไปเราไม่ได้เห็นเธอหรอกแต่ว่าเธอเห็นก่อนไ ป, ไปไปไปอยู่ที่อื่นอย่ามาทางนี้นะบอกก็อย่างนั้นแหละนี่เขาก็กวางตุกมันวางถูกเหมือนกันหมามันยังวางตุกเลยบอกว่าเออนี่จะไปไหนเองพ่อจะไปบินธบาตมามามามามาเร็วๆมาคว้ากุฏิไม่คว้ากุฏิไม่ได้เดี๋ยวโจรจะมานะ เดี๋ยวโจรมันมาขโมยของหลวงพ่อหมดแหละเธอก็จะโอดแหละพอเรียกมามันก็มามาทันทีเลยทุกวันเลยทำอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นทุกวันนี่ไอทองเนี่ยให้มันก้ากขุดกี่อพอเรียกยมันก็มาก็จะไปบินทบาทก็มามามให้ทองม า, มาไอทองมาอองมาถึงก็มานอนเลยมานอนที่ล่ามอยู่ทุกวันนั่นแหลยนี่หมามันยังควงตูกเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั่นจะรูปภาษากันทางนั้น ในเรื่องของความกลัวในเรื่องของอะไรแังนั้นเราต้องมีทั้งสมาธิเราต้องมีทั้งปัญญาเราต้องมีทั้งสมาธิทั้งสติเราต้องมีทั้งความเพียร น, นี่เห็นไหธรรมะสมังคีในข้อที่สองเช่นว่าลองพ่อนี้ไปคิดเรื่องของกามอย่างนี้หลงใหลในเรื่องของกามพอใจในเรื่องของกามสติมันก็มาเลย สติบอกเฮ้ยมันของจกกระปรกทางนั้นเลยอะไรไปหลงมันทําไหวไปหลงมันทํมมาไหวธรรมะทิฏฐิมาแล้วก็คือพอสติธรรมาสติมาสรรมะทิฏฐิเขามาธรรมา ส, มมาสติจะดึงสรรมะทิฏฐิมาเขาดึงมามก็มากันเป็นแถวมากันเป็นแถวทีนี้นมันก็มาจัดการจบกระปรกนี่ไม่ต้องไปคิดในเรื่องจบกระปรกอย่างนั้นหรอกอย่าไปคิดมัน เห็นคนสวยเออมันกคนน่าวนั่นแหละถ้าไม่เน่าวล้วไม่เชื่อแล้วอย่าอาบน้ํถ้าสามวันดิลองดูดิผิวหนังมันก็มีเหงื่อมีไคลที่จบกระโปรกออกมาเนืด อ, อ่ะมันก็เหนียวเนื้อเหนียวตัวนอนไม่หลับอะไรไม่ตด้นี่เห็นไหมมันจบกระโปรกทางนั้นไ อ, อ้ทุกเรื่องมันจบกระโปรกทางนั้นอ่างนอกก็จบกระโปรกภายในก็จบกระโปรกแต่ถ้าจิตของเราที่ประกอบด้วยธรรมะ ภาวนาราโมเกิดปัญญาขึ้นมาอย่าทําให้จิตมันเปื้อนให้มันเพื่อนด้วยสิ่งศ ก, กรปรกคือกิเลสตัณหานั้นถ้าจิตไม่เปื้อนในทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะมันก็ไม่กล้าไปยึดมัน่นถือมันอะไรทั้งหมดนี่เรียกว่าถ้าอย่างนี้มันก็สบายอย่างนี้นี่คือเรื่องของธรร ม, มาสังกัปโปธรร ม, มาสังกัปโป นี้ในเรื่องของพยาบาทอู้มันมีเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็ยังโดนพยาบาทอย่าว่าเราเลยพระพุทธเจ้ายังโดนทําร้ายยังโดนพยาบาทองคุริมเ อ, อ๋อขอไปอพระเทวทัตนะพระเทวทัตเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมีความอยากเพราะมีตัณหาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเจ้เองอย่างนี้ต้องไปกลิ้งหินเพราพระพุทธเจ้าลงจาก กูขาคิดจะกูดอยากเป็นพระพุทธเจ้าเองเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหลายสิ่งหลายประการแต่เสร็ จ, จแล้วเป็นยังไงทําไม่ได้ อ, อ็กลิ้งหินก็แก้ให้สะเก็ดหินนั้นก็มาโดนระบาทของพระพุทธเจ้าแลก็รักษากันรักษากันจนหายพอหายแล้วเขาก็มีอนาถาบินิกาเศรษฐีนั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังนะ่งอ๋อนี่มตนไปอยู่ที่โ น, น้นแล้วนี่ไปอยู่ที่ เจตวันไปสร้างวัดเชตวันเองอานาถาบินิกาเจตีเนี่ยก็ไปสร้างไปสร้างวัดเชตวันพอปไปอยู่ที่วัดเชตวันพระองค์ไปประทับที่นั้นแล้วก็ยังมีมารมาเบียดเบียนอีกนั่นแหละมีนางอะไรนางจินจมานาวิกาอีกนางจินจมานาวิกาเป็นยังไงก็โดนเขว่าได้รับเงินจากไอ้ไอ้พวก ศาสนาภายนอกศาสนาภายนอกอิจฉาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนทำรร ม, มากมายทําให้คนดับทุกได้มากมายลาภกกระก็เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าก็ายังมีศาสนาภายนอกอิจฉาพรออิจฉาแล้วก็จ้างนางกินจมามนาวิกานะทำยังไงพระองค์ก็กําลังแสดงธรรมอยู่แสดงธรรมอยู่ที่นั่นน่ยที่วัดเชตวันนั่น เสร็จแล้วก็นางกินจำมานาะวิกาออกอุบายบอกว่าให้ทําไม้แล้วก็เอามาประกอบกาวที่ท้องเอาเชือกผูกแล้วก็นุ่งผ้าทับเข้าไปอนนันี้นางก็ทําตามอุบายเพราะมันได้เงินนี่เห็นแก่เงินกันตั้งแต่ชาวใหม่นูน้นและไม่ใช่ชาวใหมนี้เห็นแก่เงินกันทางนั้นถ้าเงินเราทําอะไรได้หมดเสรแล้วเป็นยังไง พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ก็มาดา่าพระพุทธเจ้ามีหน้านะมานั่งแสดงธรรมอยู่ได้นี่รู้ไหมว่าเด็กในคันนี้เป็นลูกของใครพระพุทธเจ้าตรัสว่า อ, อน้องหญิงเธอก็ฉันเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เนี่ยเห็นไหมยังไปด่าพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่เดี๋ยนี้ไอ้คนใกล้ๆเเคียงๆไอ้คนที่ ไปนั่งควังทำเนี่ยมันก็โกรธขึ้นมาที่พวกนั้นเนี่ยโกรธขึ้นมาก็เลยเป็นยังไงนางนี่ก็ไปไปมาม า, มา ไ, มไม้หลุดไม้ไหนที่เอาไปฆ่าที่พุงเนี่ยมันหลุดหลุดก็เรื่องก็แ ด, ดงออกมาเลยก็เลยโดนไล่โดนไล่ทีนี้ก็พอไปถึงหน้าวัดไปถึงหน้าวัดเจตาวันพวกนั้นก็เลยจัดการนี่แหละแกรมจะไหวยอย่างนี้สังคมลงโทษ ก็เลยก็เรียกว่าธรณีสูขก็ธรณีในที่นี้ก็คือคนพวกนี้เละจัดการเลยก็มีสองหลุมที่เชตาวันมีสองหลุมหลุมหนึ่งก็ของนางกินจมานาวิกาหลุมหนึ่งก็ของพระเทวทัตพระเทวทัตก็หมดท่าแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าอีกมันสายไปเสียแล้วเพราะพระเทวทัตก็ต้องอาบัติอย่างหนักแล้วอาบัติหนักแล้วหนึ่งทําสงให้แตกกันสอง ตามรายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตเพียงแต่ว่ามะแลงวันกินอิ่มนี้ก็เสียแล้วหมดแล้วพระโสดาบันก็ไม่ได้แล้วในชาตินี้ไม่มีทางก็ตกนระกหมกไม้อยู่ไม่รู้ยังอยู่ที่ไหนตอนเนี้ออกไปถึงหน้าเจตาวันนั้นแหละแผ่นดินก็สูบพระเทวทัตก็โดนแผ่นดินสูบนางกินจะมานะวิกาก็โดนแผ่นดินสูบไม่รู้ว่าแผ่นดินลูกหินท่อนไม้แผ่นดินอะไรก็ไม่รู้แต่ว่านั่นคือโดนแผ่นดินสูบ นี่คือพวกอิจฉารทิ์สยาพวกที่มีเรียกว่ามีมิจฉาสังกัปปะแล้วก็มีพยาปาทสังกัปปะมีวิหิงสาสังกัปปะเห็นไหมดำรีในการมุ่งร้ายดำรีดำรีในการคิดชั่วดำรีในการเบียดเบียนดำรีในการ อิจฉาลิษยานี่เรียกว่ามิจฉาสังกัปโปมิจฉาสังกัปโป้อนี้เราต้องมีสัมมาสังกัปโป้ดัมมาสังกัปโปดํมเบในการออกจากการมดํมเบในการไม่เบียดเบียนดํมเบในการไม่อิจฉาลิษยาเรียกว่าอวิหิงสาสังกัปโป้อปยาปาทาสังกัปโปคือไม่เบียดเบียน ก็ไม่อิจฉาฤริษยาแล้วก็ไม่คิดในเรื่องของกามในข้อต้นนี่คือมันจะตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นมี่ต้องใช้อะไรปัญญาเห็นไหมนี่แหละคือปัญญาสัมมาทิฏฐิมาประกบแล้วแต่สัมมาสติต้องดึงปัญญามาเมื่อสติดึงปัญญามาดึงปัญญาแล้วก็มาจัดการสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสมาธิ มากันหมดนี้มากันหมดนี่แหละศีลทุกขอ иты, ้กขอ ma, inverted, ต้องมี ather, สัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาวายามะต้องมีสัมมาสติอย่างน้อยๆต้องมีสัมมาสตินี่ไม่อย่างนั้นศีลที่รับไปเป็นหมันทางนั้นเลยศีลไม่งอกงามไม่อะไรเป็นหมันแช่อยู่อย่างนั้นทีนี้ปานาติบาตก็เพราะว่าเรามีสัมมาทิฏฐิ เราก็เลยไม่ฆ่าสัตว์เราก็เลยไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทาร้ายสัตว์แล้วก็ศีลข้อที่สองก็เหมือนกันอีลอธินนาทานเราก็มีสัมมาทิฏฐิอกีกเราก็มีสัมม า, าวายามะอีกมีสัมมาสติอกีกศีลทุกข้อจะต้องประกอบด้วยอย่างนี้นี่เลยคืออริยมรรคมีองค์8จะต้องทําหน้าที่ ต้องทําหน้าที่อย่างนี้จึงจะสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นอริยมรรจะไม่สมบูรณ์ในนี้จะเห็นว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสําคัญทั้งนั้นเลยให้เราต้องมีหนึ่งธรรมมาราโมสองธรรมภาวนาวะภาวนาราโมภาวนาราโมยินดีในการภาวนาถ้าเราไม่ภาวนามันก็ไม่ข้าวที่ไม่ก้าวทาง ไม่เก ja. no ิดปัญญาปัญญามันก like ็เกิดไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ทีนี้อาราโมหรือว่าอาราโมอาราโมแปลว่าต้องยินดีต้องยินดียินดีในธรรมยินดีในการภาวนาแล้วก็ยินดีในการละต้องยินดีในการละด้วยหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องละมันละมันละมันไม่เอายินดีในการละเรียกว่า ปหาณอาปหาาราโมปหาาราโมยินดีในการละนี่ยินดีในการละด้วย เ, เหมือนความเพียรอย่างนั้นหนึ่งเพียรในการระวังสองระวังแล้วมันยังเกิดเรือขึ้นมาอีกว่ายมีสติมันไปตกใจโอ้โง่บอกตัวเองโง่เต็มทมีตกใจทำไมอ่ะนี่สติมันมาไม่ทันทีนี้ต่อไปก็ละ ละตัวโงโ่ตัวนั้นเห็นงูตกใจที่หลังก็เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะตีไม้วอยวอยวอยวอยวอยวอเหมือนกับคว้าแล็บอย่างนั้นเนี่ยพอจะตีมันมาวอยเห็นงูเอองูมันก็งูที่งูมันก็งูเลยมันอะไรอะงูมันก็งูที่ไปตกใจมันทําไมคว้าแล็บก็คือกว้าแลบที่แล็บอะไรมันจะตามมาเพรมันปาที่ปามันก็ปลาไปที่ ก็เรื่องของมันก็มาตามเรื่องตามราวของมันแต่เราต้องทําให้ทันมีสติให้ทันไม่ใช่ไม่ขาดสาติพอขาดสติกลัวตายมาแล้วโง่มาแล้วพอขาดสติแล้วก็กลัวตายแล้วกลัวตายแล้วโง่แล้วโง่แล้วโง่มาแล้วดังนั้นให้ปัญญามาก่อนให้สติมาแล้วก็ดึงปัญญามาเพริบเดียวต้องอย่างนี้นี่เรียกว่าเรียกว่าต้องให้ทนันกันกับเหตุการณ์เหล่านั้นที่นี้มันจะเกิดขึ้นได้ ตั้งปัญญาตั้งสติตั้งความเพียรต้องมีการภาวนาถ้าภาวนาไม่นิ่งไม่เข้าที่ไม่พิจารณาไม่ทันมาไม่ทันส ต, ติมาไม่ทันต้องเอาให้ทันกันในเรื่องนี้ต้องเอาให้ทันกันทางนั้นเลยนี่โดยละเอียดเราต้องทํากันอย่างนี้ต้องปฏิบัติกันอย่างนี้อยังเหลืออีก พอเวลาเห็นว่าพอสมควรแล้วก็ค่อยต่อกันตอนย่ํารุ่งองีกแล้วก็จะว่ากันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรอ่ะแล้วก็ไปคิดไปนึกไปพิจารณาให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้ก็่อให้ความสุขความเจริญในธรรมที่พูดให้กวั่งนี้ไปดูรายละเอียดในจิตในใจ บันทึกบางอะไรบ้างเสร็จแล้วกค่อยรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุดทีด่การบรรยายในภาคคำของอวันที่14เอาไว้แต่เพียงเท่านี้